ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงพระโพธิยญาณกำมังนำเสนอกงล้อของสังสารวัตรคือปฏิจจสมบับาทีท่พระโพธิสัตว์ทรงนำมาคิดปินิพิจารณาตอางๆงที่ก่อนหน้านั้นก็ทรงพิจารณามาแล้วนะฮะก่อนที่จะเสด็จออกประนวดแต่ว่าพิจารณาได้แค่สามตอน แล้วก็มาถึงตอนที่สี่ก็ตันนลยคือมองมาจากปลายคนตายมาจากคนเจ็บคนเจ็บมาจากคนแก่คนแก่มาจากคนเกิดแอ้คนเกิดนี่มาจากไหนเลยก็ต้องเสด็จออกสแสวงหาเพื่อทำลายที่มาของความเกิดต้องการตรงนั้นที่จริงต้องการจะทำลายที่มาของความแก่ความเจ็บความตาย แต่ในที่นี้ทรงสาวออกไปเป็นละเอียดว่าความเกิดความแก่มาจากความไม่จ่ายความความแก่ความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากพบแล้วก็พบเนี่ยมาจากชาติทีนี้ท่านแนวสาวตรงนี้ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าพบมันต้องเป็นบาปเป็นบุญเป็นอนานเดชาก่อน ก็เรียกว่าสังขารพบแล้วก็นาไปสู่อุบัติพบพบทั้งสามนั้นเรียกว่าอุบัติพบคือพบที่คนไปอุบัติแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสังขารพบคือสิ่งที่ปรุงจิตให้มีคุณภาพอย่างนั้นแล้วก็ไปเกิดตามสมควรแก่พบที่ภูมิจิตเข้าถึงก็แล้วแต่นะ เพราะฉะั้นตรงนี้เราจึงได้ยินคําว่ากมังสเตวิพัชติยาดีดังหีนัปณิตตายะกรรมเป็นผู้จําแนกแบ่งแยกไอ้คนเหล่าใะปณิแตกต่างกันวันก่อนได้พูดมาถึงอุปาทานข้อที่สามนะคืออัตวาทุปาทานแปลว่าไปายึดถือว่าทะว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นแล้วให้ความสำคัญแก่ตนจนถึงก็หลงตนนะ เรื่องนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสลด น, น่าคิดเนี่ยน่าคิดนัตบบาเองเคยตั้งใจเอาไว้แล้วเคยพูดเป็นการสาธารณะเลยตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อเราบวชนานขึ้นเนี่ยพรรษาเราเพิ่มขึ้นอายุเราเพิ่มขึ้นเราก็ใกล้ความตายเข้าไปเพิ่มขึ้นเนี่ยกิเลสเราต้องลดลงบงังะลดลงได้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าต้องพยายามลดได้ได เราพยายามลดได้ได้เช่นโกรธได้น้อยลงล้อไปน้อยลงหริษเสียใน้อยลงขี้เกียจได้น้อยลงเนี่ยมันต้องขัดเกลาให้ได้เพราะว่าธรรมะนั้นเป็นเครื่องขัดเกลี่ยจิตทีนี้ถ้าอยู่แล้วกิเลสยิ่งเพิ่มขึ้นตนะมาน า, นายิ่งเพิ่มขึ้นโอด เ, เสียป่วยการเลย ม, มันเหมือนกับต้นไม้ที่โตไปโดยไม่มีแก่นต้องพยายามลดให้ได้มากน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องความพยายามต้องมีความพยายาม ที่น่ากลัวก็คือว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยมันยึดตือเนี่ยเราทำให้เป็นคนที่เรียกว่าแตะต้องไม่ได้เลยถูกหมดเลยเก่งหมดเลยเคยเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดใช้ับว่าจะชี้แจงอธิบายเนี่ยต้อบอกหูปากเลยโอ้โหนึกถึงอะไรล่ะเป้าบุญจินนึกถึงนังจีนกังฟงภายในเลย เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะพวกอัตวาทุปาทานเนี่ยมันมันลงตัวเองแล้วก็เกิดอาการอย่างหนึ่งที่มันยึดมากไปเนี่ยเห็นไม่าพต่างๆอีกการต่างๆใครยอมค่าอยู่ใครขวางค่าไายนั้ น, สนแสดงว่าให้ความสำคัญกับตัวเองมา ก, กเกินมันจนถึงจุดหนึ่งที่เราเห็นภาพลักษณ์ในสังคมพระบวรนาเนี่แหละมันเป็นอัตวัตุปาทป า, านขึ้นมา ขนาดว่าคนในวรรณกษัตริย์กับวรรณะพร์ได้ยินเสียงหรือเห็นรูปหรือเงาทับกันเนี่ยกับพวกยันทานถูโอ้โออบประมงคนมหาศาลเลยต้องล้างชำระร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำหอมตั้งสี่หกม้อหน้าหนาวนะนี่คือคือคือคือเป็นเรื่องที่เกิดมาจากกิเลสนั้นเลย แล้วพวกนี้เราเห็นว่าเรากระด้างเพราะชาติกระด้างเพราะโคกระด้างเพราะแทะกระด้างเพราะความรู้กระด้างเพราะสถานะทางสังคมเพระด้ามันเกิดกระด้างขึ้นมาเฉยๆที่เขาบอกว่าอะไรล่ะขังคก ข, ขึ้นวอวมาเพร้าวตื่นดกอย่าจกตื่นมีสิ้นทีตื่นตาย อ, อะไรๆมันอุปทานนะฮะมันไปยึดเอาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจให้ชัดเจน พราความเป็นที่เราคิดนี่มันไม่เป็นจริงะมันเรื่องสมมตินอยเฉยๆเพราะฉะชีวิตถ้าใช้ในแนวของการแสดงหมายความบทบาทตรงนี้จะแสดงอย่างนี้นะราขอนิมนต์ขึ้นธํรมะและเทศนะพอในเวลาท้งคนก็จบนะคือแสดงบทบาทเท่าที่มาถึงแต่จะอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานคือยังนึกถึงราชการที่หก ที่ท่านแสดงเป็นพรานบุญนะนะ่ะเจ้าพระยารามเราคบเป็นพระราชาถูกเป็เจ้าพระยารามเราคบตีพระเสีนเลย ค, คือเรียกว่าตีหัวในพ่านบุญนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นในพรานบุญนะนั้นก็ก็มีความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ด้วยแต่ไม่น่าเชื่อว่าท่านถอดพระเจ้าแผ่นดินออกไปแล้วก็เล่นบทในพรานบุญเท่านั้นเองเป็นที่โปรดปรานนะแทนที่จะโปรดเกลี้ยว ก, ก็กลายไปที่โปรดปราน พอแสดงว่าเล่นได้สมบูรณ์แบบแต่ตรงนี้พูดก็พูดได้แต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ตามปกติแล้วนี่มันคนยากที่จะลดละอหังการตรงนี้ลงไปแล้วก็ให้ความสาคัญกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราลองสังเกตว่าความเห็นทางวิชาการบางทีเป็นความเห็นที่น่ากลัว คือท่านไม่นึกถึงภาคสนามท่านไม่เผื่อใจให้ภาคสนามเลยการพูดออกหมันมันกันนะเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายนะยังเคยได้ยินถึงมีคนพูดถึงรัฐบาลนายลืมอะไร้วนะรัฐบาลก็เพิ่งเป็นมาสักสองเดือนอมั้งนี่ยนายบอกจะสร้างถนนไม่เห็นสร้างไนะพูดเป็นเล่นไปนึกว่าจะเป่าพรวดเอาได้อะไรยางไง การสร้างถนนมันต้องนึกถึงกระบวนการมันต้องให้เวลาถ้าพูดถึงสร้างถนนเ น, นี่ยต้องให้เวลาสองสามปีนะมันต้องมีการสำรวจมันต้องศึกษามันต้องโอ้ยทาโครงการต่างๆกว่าจะผ่านขั้นตอนมาเป็นถน น, นได้เนี่ยมันต้งนานนะนี่ไปให้เวลาเพื่อนแค่เดือนเดียวตั้งเด็แล้วไม่ได้คิดโดยเหตุด้วยผลเห็นไหมคือว่ามันยิ่งไม่มีเหตุผลพออั ต, อ ต, ตวาตุ ป, ปากานมันเกิดมาขึ้นเนี่ยแก็ยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรเลย แล้ในที่สุดก็หลงตัวเองและยึดติดในสถานภาพของตัวเองอย่างที่เคยเล่าเรื่องสัญชยัยสัญชยัยสันชัยปริพาชกนะฮรเป็นอดีตอาจารย์ของภาษาดิบุตรคือเราเห็นชัดตราท่านมีอัตวัตุปาฏานยึดถือว่าถาวตัตุป็นโนเป็นโนต้องหนึ่งนะชั้นต้องหนึ่งชั้นชั้นเล็กไม่ได้ชั้นต้องใหญ่ชั้นเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิ อาฉันมาเป็นลูกศิษย์ฉันก็เหมือนกาอะไรล่ะจับจระเข้ไปใส่ตุมต่มไปขังตุ่มไ้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรได้สารพัดนะฮะแล้วก็ศีลพัตุปาฐานคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องเป็นลนักษณะทิดทิเป็นอาการของโมหะแล้วก็ทิฏฐิ คือไปเห็นป่ะวิธีการตรงเนี้ยของตัวเองเท่านั้นถูกต้องของคนอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็ยึดติดจนจนบาลีก็บอกอีด้ไม่ว่าสัจจังมุับัญญัติอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็งมงายรายเอียดผลในด้านต่างๆเราเจนว่าแม้แต่บางทีที่เป็นเป็นเรื่องดีๆนี่แหละแต่ถ้ายึดติดมันก็กลายเป็นปัญหาทํำไมเป็นปัญหาลองสังเกตใจดูสมมุติว่าเราจเจริยกรรมฐาน จเจริญกรรมฐ า, านแบบภาวนาวอพุทโธพุทโธนะฮะแล้วก็ยึดติดตรงนี้ออกมากเลยพอเพื่อนมาที่บายอย่างอื่นเกิดปฏิฆะเกิดความไม่พอใจไม่กิเลสเกิดละกิเลสเกิดแล้ ว, ลลวพอเห็นใครเห็นตามเราเราก็เกิดโลภะแหละมันมีโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะบ้าแล้วก็จริงว่านี่โมหะอยู่เยอะว่าทําไมจะต้องทางนี้ล่ะเหมือนกับเราชวนคนมากรุงเทพเนี่ยทําไมจะต้องพจญโดยทินล่ะ ทำไมต้องเพชรเกษมล่ะทำไมสุ ข, ขุมวิทล่ะมันมีเยอะไปถนนหมายถึงก็แล้วกันก็ไม่ได้แปลกอะไรทีนี้แนวตรงหนึ่งเนี่ยที่เราได้ยินคำบาลีบ่อยๆเอตังมามะเอสโอหามสมเมเอสเมอตตาเราได้ยินบ่อยๆเป็นความรู้สึกด้วยเขาเรียกว่าตัณหาญาหะ ก็ลักษณะของกามุปาทานนะตนระหนักาหะคือยึดถือด้วยอํานาจของความใครในสิ่งที่ตัวเองใครแล้วคอยคว้าราตนาเพื่อได้เพภ่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของมานาคาหะยึดถือในความเป็นอันนี้ก็แบบอัตวัตุปาทานการทิฏฐุปาทานว่าถ้าว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่าง น, น้นแล้วก็ดูถูกดูหมินคนอื่ ยังนึกถึงกระบวนการตรงนี้นะฮะในสมัยสมัยพุทธกาลนะ่ะมันมีคนจันทานคนหนึ่งแกนับถือพระพุทธศาสนาแล้วแกไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่โดยชาติสกุลแต่ยอมรับว่าคนดีจะดีและจะเลวกับเพราะการกระทาแต่ในขณะที่สังคมพวกพรามเนี่ยกขายังถืออย่างนั้นอยู่วันหนึ่งแกเดินเดินปกติของแกนะฮะ แต่ว่าธทำเนียมก็ต้องส่งสัญญาณเพื่อไม่ให้พวกพราหมณพวกกษัตริย์ก็เดือดร้อนแกาก็เดินไปก็ปรากฏว่าไปเจอกับที่สาธิดาสาวของพวกพรามหมอ า, าสานซึ่งกำลังออกจากบ้านเพื่อไปงานนักขัตฤกษ์พอเห็นคนดันทานตอนนั้นเองถึงสั่งปรับเป็นอัปมงคลล้ต้องจะไปอาบน้ำล้างตาล้างชำระร่างกายสะอาด โดยน้ำสิบหกม้ออย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ลูกน้องที่ตามเจ้านายไปเลยไม่ได้เจี้ยวเลยยั่วใหญ่เลยเลยไปซ้อมมาคนจันทานคนนั้นจันทานกคนนั้นบอกมันไม่ถูกต้องอ่ะมันเรื่องอะไรล่ะสิทธิมนุชชนนะฮะสมัยนั้นก็สิทธิมนุชชนไม่เบาเหมือนกันน ะ, ะแล้วก็มีเหตุผลนะฮะสิทธิมนุชชนสมัยนี้ไม่ค่อยมีเหตุผล ส, สิทธิมนุชชนสมัยนั้นมีเหตุผลฉันเดินของฉัน แล้วเธอมาซ้อมฉันเนี่ยมันไม่มีผลเพราะงั้นแกนก็รู้ไอ้ไอไอกฎเกณฑ์ต่างๆในวงการพรามแหละแกก็ไปที่บ้านของพรามที่เป็นพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นประกาศบอกว่าแกขอลูกสาวพรามเนี่ยไปเป็นเมียคนนั้นนะไอคน้คนคนที่เป็นเหตุที้แกถูกซ้อมอ่ะพรามก็ขอร้องอ้ อ, อนวอนต่างๆแกนอนเลยนะนอนเลยครับพรามไม่คิด เพราะถ้าไม่ให้แกจะตายตัวนี้ยทีนี้มันกระแสะคนนี่มันออกเป็นสองพวกเพราะว่าพวกแค้นพราหมณ์อยู่ก็เยอะแล้วก็เชียร์พวกกองเชียร์ก็เชียร์เยอะพวกต่อต้านขัดฟางก็ต่อต้านเยอะคือทำเนียมเขาบอกว่าเขาถือว่านะก็ถือว่าถ้ามีคนจันทันมาตายอยู่ในหมู่บ้านไรโบบาลหนึ่งเจ็ดหลังคาเรียนบริเวณนั้นเจ็ดหลังการเรียนบริเวณนั้นจะ กลายเป็นจันทานไปหมดอันนี้คือจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคือก็ถือตัวแต่เขาทําจนกลายเป็นจุดอ่อนผู้ชายคนนี้แกก็จับจุดตรงนี้ได้เลยบอกั้งนั้นผมก็ตายตรงเนี้ยอ่อนบอนเอาเงินทองมาให้อ่ะออนเธอมาให้เป็นพันพันหมื่ะนหมื่นก็หาปัไม่เอานอกจากผู้หญิงคนนั้นคนเดียวผลรุ่ท้ายถูกประชามติบีดเพื่อนรอบบ้านเนี่ยอเรื่องอะไรเราจะต้องเป็นจันทานตามเขาไปล่ะ แล้วก็บีบพราหมณ์คนนั้นนะต้องเอาลูกสาวให้เขาคนอีกเจ็ดบ้านเนี่ยมันก็ใช้มติย้อนกลับเข้ามากลายเป็นบุมเมงแรงมาเล่นงานเอาตัวพรามณ์เองแต่ในท่ก็ต้องยกลูกสาวให้กับฝ่ายลูกสาวก็เป็นจันทรานโดยโดยสังคมนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นจันทรานโดยการกระทํำก็เป็นจันทรานโดยความรู้สึกนึกคิดของสังคมว่าเมื่อไปได้ได้ผัวเป็นจันทรานแล้วเมียก็เป็นจันทรทานตามไปด้วย นี่ก็คือลักษณะของมารนะแต่มันสร้างปัญหาเยอะแต่แม้แต่ว่าสังคมเราก็มีการดูถูกดูหมิ่นกันถ้าเราลองสังเกตลึกๆเนี่ยลึกๆเวลาเนี้ยมันมีลักษณะดุมหมิ่นกันในวงการของสังคมเราเนี่ยแม้แต่ตามวัดว่าอารามยังมีนะฮะพระก็มีกิเลสมือนกันถือพักถือพวกถือภาคถือจังหวัดกันอะไรต่ไหก็ว่ากันไป แล้วก็แสดงตัวเป็นผู้มีธรรมะแต่ว่าก็มีอาการของมานะนินโยกทีนี้ยิ่งชาวบ้านรอ ย, ยิ่งไปใหญ่ดูถูกดูหมิ่นกันในฐานะต่างๆแต่ว่าการกระทำไม่เกี่ยวนะฮะการกระทำก็คือการกระทำได้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอยวาไ้เคยบอกว่าคนจนไม่ใช่อภิสิทธิชนเช่นเดียวคนรวยไม่ใช่อภิสิทธิชนแล้วไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชน ในโลกเนี้ยในแง่ของกฎธรรมะจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชนแต่และชีวิตก็เป็นกระบวนการเกิดแก่เจ็บตายแต่นั้นเองแล้วก็มาจากกวิ ช, ชาด้วยกันมาจากตัณหาด้วยกันมีอุปาทานด้วยกันไม่มีใครแต่ว่าคนซึ่งมันคุมอะไรต่างๆไว้เนี่ยก็ไปสร้างเงื่อนไขให้คนยอมสยบ่อพวกตัวเองได้ผลประโยชน์แก่ตัวเอง แล้วก็รกับการปนปลือเป็นอภิสิทธิชนไปทั้งที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนั้นก็คือเรื่องสังคมแต่เรื่องธรรมะก็คือเรื่องธรรมะพราการถือด้วยอำนาจของมานะก็เรียกมานะกาเนี่ยมันก็สร้างปัญหามีการดูดูรูหมิยนการมียกการตนขนท่านมีการอะไรละ่ะทำลายตัวเองทำตัวเองให้ตกต่ำประการต่อไปก็คือ เขาเรียกว่าทิฏฐิกะหะคือยึดถือด้วยอํานาจทิฏฐิทิฏฐิตัวงนี้กลายไปจนกลายเป็นตัวตนถาวรไปแล้วก็กลายเป็นทิฏฐิออกมาในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเราเป็นขันหะขันหะเป็นเราเรามีอยู่ในคันหะคณะมีอยู่ในเราอย่างเงี้ยมันก็บุญบุญกันอยู่อย่างนี้พวกนี้เป็นอุปทานทีนี้มันก็ต้องถามว่าอุปทานเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเหตุตั้งเดิมหรือเปล่าก็ตั้งปัญหาถามไปว่า เพราะตัณหานี่เองมีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาคือสภาพจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นนะได้แล้วมีแล้ ว, ลวเป็นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นต่อไปพอไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เกิดโทสะพอได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วสิ่งล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกะก็หมุนหมุนเรื่องนี้ยมีทุกข์กับสมุทัยนะ เพราะว่าตัวตัณหามันเป็นตัวสมอไทยทีนี้กระแสอะไรก็ตามที่ออกมาจากตัณหามันก็กลายเป็นทุกๆทีตัณหาท่านจึงจำแนกไว้เป็นสามประการพึงสังเกตว่าที่จริงก็คืออาการของโรคบดหลงเพียงแต่ว่ามันทําปฏิกิริยาต่อจิตเข้มข้นสูงมีความรุนแรงเวลาท่านแปลเนี่ยเพื่อหเห็นว่ามนาการมันแรงท่านก็บอกว่า สภาพจิตติดรุนทะเยอทะยานยากบางทีก็ซีบใจนะไอนี้ดีนะไอนี้ไม่ดีนะอ้นี่สวยนะนี่หอมนะนี่อร่อยนะก็ซีบใจจนต้องเป็นนี่เป็นสินค น, นนะนะเขาเรียกว่าชับป่าคือตัณหาผู้กระซิบใจแล้วตัณหานั้นมันผลักใสเสือกใสสูญเสียการทรงตัวเลยคนบางทีเนี่ยต้องไปทําชั่วเพราะตัณหามันผลักใสไปตามใจตัวเองจนขาดความเป็นตัวงตัวเอง มันเมือนกับเรื่องรามาเกียรตินะที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าตันหาพายุ่งกับนงคิงเพืแย่งชิงสีดามาราศีตรงรบราฆ่าฟันลั่นโรกีแล้วพนรทตถ์ก็ตายมันเป็นเรื่องตันหาของทศกัณฐ์ที่ต้องการจะได้นางสีดาไปเป็นมาเหสีทั้งทังที่จริงๆแนละ้วนางสีดา ค, คือลูกสาวตัวเองแต่อยากไปเป็นมาเหสีไม่รู้ แต่เทศกานในมั่วๆยางไงไม่รู้นะครบเครื่อนเ่ไปดูนางสำนัขาน้องสาวเป็นนางสีดาเครื่อนเคล่นดูนางเบญจากายซึ่งแปลงตัวเป็นนางสีดาว่าเป็นนางสีดาลงไปเกี้ยวหลานสาวตัวเองเกี้ยวน้องสาวตัวเองแล้วก็อยากได้ลูกสาวตัวเองมาเป็นเมียด้ด้วยเกี้ยวมั่วๆพระรามเองก็มีตัณหาแล้วก็มีมานะด้วยนะ ันก็ถือว่าเป็นวงว ง, วงราชิตนะฮะเป็นวงวงของพระผู้เป็นเจา้าเหมือนกันพวกโน้ถือว่าวงพรมเมตพระทศกณัณก็ถือวงพรมเมตเห็นไหมมันมีมันนะแล้วก็มันก็หมดเลยมีทั้งอาการของกามีมทั้งอาการของทิชชีมีทั้งอาการของมานะามันเพื่อก็อยากได้อยากได้อะไรอยากได้พวกกาบคุณทั้งหลายสิ่งมีเป็นเสียรูปเสียงกลิ่นรสพุทธสาร ธรรมารมแต่ก็อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นคนเราอยากเป็นแต่ไม่อยากทำอีกคนก็ตั้งคำถามไปเรื่อยบอกว่าคุณไม่รู้ต้องรู้จักคนดิคนที่ก็อยากเป็นนะเพราะก็มีภาวะปัญหาแต่ที่เขาไม่อยากทำเนะี่ยเพราะเมีขี้เกียจทีนี้เป็นนมันสนองตอบมันปลนปลือตัวเองยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ตัวเองทาให้คนยิ่ใหญ่ อันนี้มันขึ้นดู่กับการมองนะการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยว่าถ้าเราให้ความต้องขันแก่ตัวเราแล้วคนอื่นเนี่ยจะต้องเป็นทาสเราแล้วเราก็เดือดร้อนนะฮะเราก็เดือดร้อนที่จริงไม่จะสนุกหรอกพวกนี้เป็นอาการของโลภะกับโมหะอย่างนี้นพี่เพราะว่าตัณหา วิภาวะตัณหาก็คือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นซึ่งก็หมายความว่าเราไม่ชอบไอ้ตรงนั้นน่ะการได้อย่างนั้นการมีอย่างนั้นการเป็นอย่างนั้นเราไม่ชอบก็แสดงว่าเราก็อยากได้อย่างอื namely, ่นเดี on, app, hmm. ๋ยวเป็นอย่างอื่นอยากมีอย่างอื่นให้เราสังเกตว่ามันเป็นความอยากที่ซ้อนความอยากอยู่เช่นสมมติว่าเราไม่อยากกินอาหารถ้วยนี้ก็แสดงว่าเราอยากกินอาหารถ้วยอื่น เราไม่ต้องการเป็นในตำแหน่งตรงนี้ก็หมายความเราอยากเป็นในตำแหน่งตรงอื่นตรงนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเมียดละไมแต่ตามปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเล่เป็นมายาเป็นโอ้อวดเป็นแข่งดีของคนทั้งหลายได้ง่ายนะคนบางคนก็ยืดวางมา่านแสดงว่าฉันเป็นมีธรรมะไม่ยินดียินไรอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการตายไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นนะ แต่ที่ไม่ต้องการได้เนี่ยคือมันน้อยไปนะไม่ต้องการเป็นคือมันเล็กไปนะแต่นั่นเองจะจริงๆก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพระาบางองค์เนี่ยเขาให้เป็นพระครูไม่เอาเพอให้เป็นเจ้าคุนเอาเห็นไหมฮะนั่นก็แสดงว่าอยากเป็นอะ่ะแต่ว่าที่ไม่เอาเนี่ยมันมันรู้สึกมันเล็กไป อ, อัตราของตัวก็โตอัตาตัวก็โตแต่พอเขาให้โตตามอัตรามันก็เอา ก็เป็นอาการของกิเลสด้วยกันทีลักษณะของตัณหาเนี่ยที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจกกักรวาสูตรก็คือหนึ่งโปโนปวิกามันก่อให้เกิดความมีความเป็นด้วยไปเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนน่นก็เป็นด้วยไปแต่ใกล้ลลๆกันแต่กระลิงที่วิ่งไปในป่าไม้นี่มันจับบางจับบงจับบงไปไเรื่อยๆแล้วก็นันดิรกากากตาคือจิตจะกำหนัดดูดนาความเพลิดเพลินในสิ่งที่ เราอยากได้อยากเป็นแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะฮะคือคือมุ่งไปที่อื่นแล้วแต่า ต, ต, ตรลาพินันดีนี่คือจะเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่เรื่อยสนุกสนานเพลิดเพิเงบันเทิงเรานึกดูถึงบางทีเนี่ยมันทําตัวเองให้เดือดร้อนอย่างคนที่เพลิดเพลิน อ, อยู่ตามบาตามผับตามมาไทยตอวใดเนี่ยคือยังนึกว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะ ก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจอยู่เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นมาอายุสิบเก้าแล้วเราไปพักที่โรงแรมแล้วก็ติดห้องติดกันมีบาร์ยอยู่พักคือตั้งนานนะนะไม่เคยกลายไปเลยแล้วก็ภูมิใจใหา่เนะีว่าที่จริงตอนบวชก็อายุเยอะยี่สิบเอดแล้วนะก็ไม่เคยไปในที่อย่างนั้นนะแล้วไม่มีความอยากจะไปเพื่อนฉุดลากอะไรต่ออะไรก็ไม่ไป แต่เพื่อนเนี่ยเขไปกันเยอะเข้าไปกันเยอะก็มาชวนก็มาเล่าอะไรเราก็ไม่เห็นมานน่าไปอะไรมันก็อยู่ที่ที่จิตใจคนในส่วนหนึ่งการศึกษาเราก็ไม่ได้มากเมื่อกี่ไรนะแต่ว่าเราก็มีความคิดว่ามันไปทําอะไรอะ่ะมันได้อะไรขึ้นมามันให้ประโยชน์อะไรมันนึกไปออกมันได้อะไรขึน้น แต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นคือเพลิดเพลิอนอยู่ด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะพอได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วพอชักจะหน่ายขึ้นมา ก, ก็อยากเปลี่ยนนะเหมือนกับคนแต่งงานนะที่จริงก็รักใกล้กันนะเสร็จแล้วก็เกิดวิเพราะว่าจะนายขึ้นมาก็อยากจะเปลี่ยนคู่ครองไปเลยหรืงที่เป็นนอกใจกันนั้นเป็นแวดอยู่ในแวดวงของตัณหาเพราะฉะตัณหามันจะมีอาการเข้ามาอย่างนั้น คก่เกิดความมีความเป็นต่อไปเรื่อยๆอยากได้รถอยากได้เครื่องบิดับรถอยากไปเรื่อยนถึงจุดนึงอยากเปลี่ยนรถไปเลยตนาจึงเสื่อไสนรสนให้ไปสู่ที่ที่ไม่ค่อยมีทิศทางอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะตอบสนองให้เต็มไปอิ่มได้เพราะว่าโลกมันจะพร่องอยู่ตลอดระยะเวลาเนื่องจากเป็นธาตุปัตนนาต้องฟังทลาย แต่รวมรบโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญม อ, อกงามเปบุญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทบกวนสวัสดี